มีหลายคนที่เมื่อมาที่นี่ซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขานะในการมาอยู่ป่าหลายคนก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็ถามว่าที่นี่มีอะไรที่น่ากลัวหรือเป็นอันตรายไหมแล้วก็ตอบได้ว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรือถึงมีนะก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับ ใจของเราทุกอย่างในป่านี้เนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับใจของเราเลยเพราะใจของเรานี่มันสามารถที่จะปรุงแต่งอะไรได้สารพัดแม้ไม่มีอะไรที่จะมาคุกคามแต่ว่าใจของเราก็สามารถจะปรุงแต่งไปได้คนเราเนี่ยเห็นหมูเป็นช้างเห็นกวางเป็นเสือก็เพราะอะไรเพราะใจ ใจที่กลัวใจที่วิตกนะมันก็ทำให้การรับรู้คลาดเคลื่อนเรียกว่าเกิดสัญญาณวิปลาสกระด้นะคนที่มีความกลัวเวลาเดินกลางค่ำกลางคืนเห็นรากไม้ก็อาจจะตกใจเพราะว่าไม่ได้เห็นรากไม้อย่างที่เป็น แต่ว่าเห็นเป็นงูเงี้ยร่างไม้มันไม่น่ากลัวนะแต่ว่าความกลัวเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากใจที่ปรุงแต่งไปสารพัดเมื่อรักสามสิปีก่อนสมัยที่ยังไม่มีการแยกเขตอุบาสิกาอย่างเดียวนี้เนี่ยก็มีพระนะไปอยู่ในบริเวณที่เป็นเขตอุบาสิกาเนี่ยก็อยู่ สองสารูปนะเบรียนนั้นก็เป็นเบเรียนที่ต้นไม้ค่อนข้างจะทึบนะเพราะว่าไฟมันก็ไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็จะมีพวกสัตว์นี่มากินน้ำเพราะมันใกล้กับแหล่งน้ำ วันหนึ่งเนี่ยกลางดึกก็มีขณะที่ท่านกําลังจะเครื่อนเคลื่อหลับนะก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรขึ้นมาขึ้นบันไดมาแล้วก็น้ําหนักที่มันมันเหยียบลงไปที่ขั้นบันไดก็รู้สึกว่ามีน้ําหนักมากทีเดียวท่านก็ตกใจขึ้นมาเพราะเชื่อว่าไอ้ที่กําลังขึ้นมา กุติท่านเนี่ยนะอย่างน้อยๆก็คงเป็นมีะนะตอนตกใจมาต้องรีบปิดประตูแล้วก็หาอะไรที่พอจะเป็นอาวุธได้เรือว่าถ้าเกิดมันเข้ามาก็จะได้สู้กันแล้วมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่ระเบียงกุติเนี่ยอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินลงจากกุติไปแต่ท่านก็ไม่ระวางใจนะก็ เราะว่าระวังคืนนั้นทั้งคืนแทบไม่ได้หลับตื่นมาเป็นพักๆตื่นเช้าขึ้นมาได้เวลาบินธบาติท่านก็ค่อยๆเงีย่ย ง, งประตูออกมาก็ไม่มีอะไรก็สังเกตว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าสบู่นะกล่องสบู่เนี่มันหายไปท่านก็ลงจากกุฏินะเพื่อที่จะไปบินธบาตพอเดินเกือบจะพ้นบริเวณกุฏินะ บริเวณที่เป็นกุฏิท่านเนี่ยก็เห็นกล่องสบู่มันอยู่ตกอยู่แถวราวป่ามาดูสบูนะ่นั่นก็พบว่ามันมีรอยรอยกัดแต่มันเป็นรอยหนูนะรอยหนูไม่ใช่รอยหมีท่านก็เลยรู้แลว้วอ๋อไอ้ที่ท่านคิดว่าเป็นหมีในที่จริงมันเป็นหนูนะหนูนี่มันขึ้นมากุฏิท่านนะท่านตกใจนึกว่าหมีนะ นี่พาออะไรนะเพราะว่าใจนะใจที่ปรุงแต่งกลางคืนในป่าเนี่ยเสียงมันดังเสียงมันจะใช้กว่าปกติบางคนเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบกติโดยเพพาะในช่วงหน้าแล้ง ห, หน้าหน้าหนาวเนี่ยใบไม้มันจะกรอบแห้งก็จะตกใจมากนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าที่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่คน แต่วมันเป็นหนูนะหนูมันก็เดินหาอาหารมันหากินกันมันไปก็เดินรอบกนะุ ต, ติใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะปรุงแต่งเสียงที่ไม่มีอะไรให้กลายเป็นความน่ากลัวได้หลงท่องเดียวกันเนี่ยที่ท่านไปเข้าใจว่าหนูนี่คือหมีเนี่ยนะมีปีหนึ่งท่านก็ไปไปสวดศพ นะที่หมู่บ้านป่าไม้ะหมู่บ้านป่าไม้ตรงเนี้ยด้านทิศตะวันตกชาวบ้านตายท่านก็ไปสวดศพแล้วก็ศพนั้นก็ตั้งมาได้วันสองวันล้วเตรียมจะเผาแล้วรู้สึกจะเผาวันนั้นแหลนะะก่อนที่จะเผาก็ก็เปิดดูนะดูศพก็เห็นอ่าศพนี่เขียวเลยนะเขียวเลย แต่ก็ยังไม่ถึงกับอืดเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่วันสองวันก็เผาเสร็จท่านก็คุยกับชาวบ้านต่อจนกระทั่งค่านะชาวบ้านก็อาสาจะขับมอเตอร์ไซค์มาส่งท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องท่านเดินกลับเองนะแต่พอเดินกลับบ้านนี่มันก็มืดเนี่ยนะมืดท่านก็ชักกลัวขึ้นมานึกถึงหน้าคนตาย ตอนที่ก็เป็นคนรู้จักกันนะแต่ว่าพอกลายเป็นศพแล้วมันก็เขียวก็กลัวขึ้นมาพอกลัวขึ้นมานี่ก็คิดไปแล้วว่านี่มันจะตามท่านมาหรือเปล่านะผีเนี่ยเดินมาถึงสารลานหน้าเดินมาถึงสาลานหน้าเนี่ยก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่ามีเห็นใครเนี่ยไปไปนั่งไปไปนั่งอยู่ที่บันได เนื่องจาตาฝาไปดูที่เอาไม่ใช่แล้วท่านก็เดินขึ้นมาเนี่ยเดินขึ้นมาผ่านสารไก่แล้วก็เดินขึ้นขึ้นเขาไปสมัยนั้นหอไตเนี่ยมันอยู่ตรงโน้นอยู่ข้างบนหอไตเนี่ยทางเดินขึ้นหอไตนี่มันจะมันจะมันจะว่องเวงมากนะแล้วก็บนนั้นก็มีก็มีท่านอยู่รูปเดียวตอนนั้นเนี่ยกุฏิอรรมาก็อยู่ข้างบนด้วยแต่ว่าไม่อยู่ท่านอยู่วัดคนเดียว สมัยก่อนเนี่ยสุกโตเป็นอย่างี้จริงนะคือว่าทั้งวัดนี่มีแค่พระรูปหนึ่งนะบางคราวก็มีสองลูกหรือว่าอาจจะมีพระอาจมีโยมอยู่บ้างนั่นคือเมื่อประมาณสาสิบปีที่แล้วหลวงพ่อก็ไม่อยู่ท่านก็ชักกลัวนะขนก็เริ่มลุกขึ้นมาแล้วว่าเหมือนก็มีอะไรตามมาข้างหลังพอมาถึงหอตรเนี่ยมองไปที่มองไปที่บันไดนะก็เหมือนกับว่าเห็นผีนี่มามา ยืนอยู่นะตกใจท่านก็รีบก้าวนะรีบสาวเท้านะกลัวมากเลยตอนนั้นบอกกลัวมากรีบสาวเท้าไว้แล้วก็พอใกล้ถึงกุฏิก็ใจชื้นนะแต่พอถึงกุฏิเนี่ยเกือบจะถึงทางเข้าแล้วปรากฏว่าไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมือนก็มีอะไรเนี่ยคือมันถูกยึดเอาไว้ย่ามที่ท่านสะพายเนี่ยนะมันก็มีคนเนี่ยลังลังลังยามท่านเอาไว้ ไปไม่ได้ตกใจนะโอผีมาดึงแล้วเนี่ยนะทาไงสบัดเลยนะทิ้งย่านลงไปเลยแล้วก็รีบเข้ากุฏิปิดประตูนะหน้าต่างนะตัวสั่นเลยนะแล้วก็คืนนละ้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนตื่นขึ้นมาได้เวลาเชา้าก็ทำวัดแต่บินทบาทตอนนั้นไม่มีทำวัดเพราะมีพ้ารูปเดียวก็ต้องบินทบาทบินทบาทกระคอยนะพอเดินลงมาจากกุฏิ นะพอผ่านมาถึงจุดที่มันมีการยื้ยุทธกชาติกันพบว่าเห็นย้ามเนี่ยมันไปแขวนไว้กับพวกง่ามไม้อ่ะนะงะย่มยามเนี่ย ม, มันไปติดอยู่กับง่ามไม้ไม่มีใครดึงนะไม่มีผีอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันไปติดกับง่ามไม้แล้วก็ท่านก็ต้องกอดผีดึงไปอันนี้เพราะอะไรนะนเพราะความกลัว ความกลัวมาจากไหนก็มาจากใจของเรานะบ่อยครั้งเรากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็กลัวในสิ่งที่ไม่มีด้วยซ้ำํำนะอันนี้เราความปรุงแต่งนะแล้วความปรุงแต่งนี้แหละนนี่มัที่มันทําให้เราไม่เพียงแต่กลัวแต่มันทําให้เราเกิดความวิตกกังวลนะความวิตกกังวลของเราหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราปรุงแต่งขึ้นมา เรื่องงานเรื่องการก็ดีเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีไปตรวจสุขภาพนะหมอนัดมารับผลนัดวันรับผลอีกสามวันข้างหน้าเนะี่ยสามวันข้างหน้าหรือสามวันจากนั้นเนี่ยนะตลอดหลายคนเนี่ยมันมันก็ตกนรกเลยเพราะว่าเขาคิดไปขั้นว่านะหม อ, อ จ, จะพบมะเร็งอาจจะพบเนื้อร้ายเนะี่ยความคิด แบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสาวันเต็มเต็มสวันตลอดสามวันนี่ก็เหมือนกับตกนรกเลยแต่พอมารับผลตัวก็พบว่าไม่มีอะไรน ะ, นะใจก็ชื้นโล่งอกเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยเป็นเพราะความปรุงแต่งแท้ๆควรที่สามวันที่ผ่านมาควรจะอยู่อย่างปกติสุขกลับเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะใจนะใจมันปรุงแต่ง ธรรมะาคนเราเนี่ยมันก็เพาะจะปรุงแต่งสารพัดนะเพราะนี่เป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่าถ้าเราปรุงแต่งแบบไม่รู้เนืรู้ตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์มากความทุกข์คนเรานะส่วนใหญ่ถ้าเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นอ่าสาเหตุของประการก็คืออันที่หนึ่งก็คือจิตเนี่ยไปนึกคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันเป็นความเจ็บปวดก็ดีความสูญเสียก็ดีพอไปคิดถึงมันก็เกิดความเสียใจเกิดความเศร้าเกิดความรู้สึกผิดเกิดความโกรธนะลองนึกคิดลองพิจารณาดูนะความเศร้าความเสียใจความรู้สึกผิดหรือความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเลยนะเกิดจากการที่ใจนี่ไปอยู่กับอดีตนะเลยเพราะ มันมีคำว่าน่าจะขึ้นมาฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยฉันน่าจะทำอย่างนีนะ้หลายคนเสียใจเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่สางคลายเพราะว่าไม่ได้อยู่ดูใจแม่อยู่ดูใจคนรักในช่วงมงสุดท้ายในวันสุดท้ายบางคนดูแลท่านเนี่ยตลอดเลยนะแต่ว่าช่วงวันสุดท้ายนี้ไม่ได้อยูดูใจด้วย ก็เสียใจมากนะโทษตัวเองว่าเนี่ยน่าจะอยู่นะวันนั้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกผิดติดค้างใจด้วยคำว่าน่าจะนะฉันไม่น่าไปนอนไปนอนพักเอาแรงเลยนะถ้าได้อยู่กับแม่ถึงจนถึงนาทีนั้นนะฉันก็จะได้ได้ดูช่วยท่านจน ไปสู่สุกติหลายคนมีความทุกข์พระเห็นนี้แล้วก็หลงโทษตัวเองเพราะคําว่าน่าจะหรือโทษตัวเองว่าไม่น่าไม่น่าไปเลยนะซึ่งมันไม่มีประโยชน์แล้วความทุกข์อีกประการหนึ่งก็เกิดจากการที่ไปไปอยู่กับอนาคตอย่างที่ได้พูดไว้เมื่อเช้าเนี่ยทํางานก็คิดถึงว่าเนี่ยเมื่อไหร่งานจะเสร็จสักที หรือว่าไปนึกปรุงแต่งว่าท้า ง, งานออกมาไม่ดีจะเป็นอย่างไรเกิดความกังวลเกิดความวิตกขึ้นมาเกิดความเครียดยหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต้องไปฟังผลตรวจอีกสามวันข้างหน้าเี่ยคิดปรุงแต่งสารพัดคนเราทุกใจเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็สองสาเหตุนี่แหละคือไปอยู่กับอดีตกับอนาคต ไม่อยู่กับปัจจุบันหรือจะเรียกว่าทุกข์เพราะความคิดก็ได้นะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาค ต, ตความทุกข์ใจคนเรานี่เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดทั้งนั้นนั่นถ้าไมอดีตก็อนาคตเยกได้ว่าแปสปอร์เซ็นตเก้าสิบเอร์ซของความทุกข์ใจนะเกิดจากความคิดปรุงแต่งหรือว่าการที่ไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ทันความคิดนะ ก็จะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆแต่ที่จริงจะพูดว่าคนเราทุกเพราะความคิดก็อาจจะยังไม่ถูกทีเดียวนักนะเพราะว่าความคิดเนี่ยถึงแม้ว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นทันหรือว่าคิดไปถึงเรื่องอดีตแล้วเรารู้ทันเราวางมันลงได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ที่เป็นปัญหาเพราะเราไม่รู้ทัน ฉันจะต้องพูดว่าเนี่ยเราทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะทุกเพราะความคิดแต่ทุกเพราะไม่เห็นความคิดเพราะไม่รู้ทันความคิดอะไรที่ทําให้เรารู้ทันความคิดนะคือสตินะสตินี่มันทําให้เราเนี่ยเป็นตัวดึงจิตออกมาจากความคิดออกมาจากอารมณ์เห็นความที่เห็นอารมณ์นั้นหลวงพ่อคำเขียนท่านจะพูดนะอยู่บ่อยๆพูดซ้ำแล้วซ้ําอีกนะเรื่องการเห็นเป็นผู้เห็นไม่ไม่ใช่ผู้เป็นหรือว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็น คนเราทุกข์เพราะเข้าไปเป็นนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรอื่นเลยนะมีความคิดก็เป็นผู้คิดมีความกรัก็เป็นผู้โกรธมีความวิตกก็เกิดขึ้นก็เป็นผู้วิตกแทนที่จะเห็นมันนะอันนี้คือตัวการใหญ่เลยนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ย โดยพรเมื่อเกิดการกระทบขึ้นมาเช่นตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงนะหรือว่าจมูกได้ริมรถหรือว่ากายได้สัมผัสเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นมันจะประกอบไปด้วยสองส่วนปัจจัยสองส่วนเหตุสองส่วนก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคือรูบริดกินเสียงสัมผัส ที่ไม่น่าพอใจแดดร้อนของแหลมทิ่มแทงหรือคําพูดของคำพูดของบางคนนะที่มันแทงใจอันนี้เราปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ว่าเนี่ยคือตัวการที่สําคัญปัจจัยภายในคือใจนะใจที่เปิดช่องให้ความทุกข์ความโกรธนี่เข้ามาครอบงําเวลาเราทุกข์ใจเวลาเราโกรธเวลาเราเศร้าเสียใจ เรามักจะโทษคนโทษปัจจัยภายนอกว่าเป็นเพราะเขาพูดไม่ดีกับเราเป็นเพราะเขาต่อว่าด่าทอเราเป็นเพราะเขาโกงเรากินแรงเรานะแต่จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นการโทษภายนอกหรือมองมาที่ใจพนะพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามือเนี่ยไม่มีแผลเนี่ยจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตราย แต่มือมีแผลเมื่อไหร่นะจับต้องยาพิษอันตรายก็เกิดขึ้นมันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออันตรายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะโทษยาพิษอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทษว่าเป็นเพราะมือเนี่ยมีแผลนะมือนี่ก็คือปัจจัยภายในนั่นเองเมื่อเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยมันก็แปลว่าใจเรามีแผลปล่อยให้ความโกรธปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาครอบงามหรือปล่อยให้คําพูดที่เสียดแทงใจมาทิ้มแทงกริดใจเราให้เป็นแผลได้ มันไม่ใช่แค่คําพูดของเขานะแต่เป็นเพราะใจเราที่เปิดช่องหรือว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยหลายคนบอกว่าเนี่ยที่เป็นทุกข์เพราะว่าคนนั้นคนนี้ขโมยความสุขไปจากฉันก็ เ, เอาความสุขไปจากฉันจริงๆแล้วไม่มีใครนี่ขโมยความสุขไปจากเราได้นะคนอื่นเนี่ยทําได้แต่เพียงขโมยเงินไปขโมยเพชรนินจินดา ขโมยโทรศัพท์ขโมยรถแต่ว่าไม่มีใครที่จะ ข, ขโมยความสุขไปจากใจเราได้ถ้าว่าเราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าใจเรานั่นเองเที่ไปไปบีบคั้นทําลายความสุขที่มีอยู่หรือไม่นะก็ไปเปิดช่องให้คนอื่นเนี่ยเข้ามา ย, ย่ํายีจิตใจเราอย่างมากก็ทําได้แค่นั้นคือเปิดช่องให้เขาเข้ามาทําร้ายจิตใจของเรา ก็คือต้องมีเราหรือใจของเรานี่แหละที่ไปเปิดช่องให้ไปเชื้อเชิญเขาอาจารย์แชสซาสโลพูดได้ดีนะผู้บอกว่าไม่มีสิ่งใดเลยไม่มีใครที่จะบังคับให้เราทุกข์ได้นะไม่มีสิ่งใดหรืออะไรที่บังคับให้เราทุกข์ได้มันมีแต่มาชวนให้เราไม่พอใจมีแต่มาชวนให้เราเป็นทุกข์ ชวนให้เราโกรธส่วนเราจะรับคำชวนหรือคำเชิญหรือไม่เนี่ยอยู่ที่เราไม่มีใครบังคับได้นะปัจจัยภายนอกนี่แค่ชวนหรือเชอิญนะไม่สามารถบังคับให้เราทุกได้เขาแค่มาชวนให้เราทุกชวนให้เราไม่พอใจอยู่ที่ว่าเราจะรับคำเชิญรับคำชวนหรือเปล่านะหรือว่าเราจะเปิดช่องหรือไม่ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเลยนะว่าความทุกข์ใจนี่นะมันไม่ได้เกิดจากอะไรมากเท่ากับใจที่นะมีแผลใจมีแผลหรือใจที่เปิดช่องให้ความทุกข์ครอบงำให้รูปรสกลิ่นเสียงที่ไม่พอใจเข้าไปกระหน่าย่ายีจิตใจจนเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับ อะไรที่ช่วยปกป้องใจไม่ให้เป็นแผลอะไรที่ช่วยรักษาใจไม่ให้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาทํำลายจิตใจได้นะก็คือสตินะสติสมาธิสัมปัชัญญาความรู้ตัวสตินี่มเรียก ง, ง่ายๆนะแปล ง, ง่ายๆว่าความระลึกได้สัมปัชัญญาคความรู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมา ความระลึกได้ทุกวันนี้เราก็ใช้สติอยู่ประจำอยู่แล้วเนเสร็จทำวัดเนี่ยเราสามารถจะเดินกลับเข้าที่พักได้เพราะอะไรเพราะเราใช้สติเราระลึกได้ว่าที่พักของเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ศาลานอกอยู่ที่ศาลาไก่หรือว่าอยู่ที่ห้องสอนนั้นสอนนี้หรืออโลคยาสารเราเดินกลับไปถึงที่พักได้เพราะเราใช้สติหรือคือเราใช้ความเราเราระลึกได้ เราลึกได้ว่าเรามาทางไหนเราก็สามารถจะเราก็สามารถจะกลับทางเดิมได้ถูกเราลึกได้ว่าเราวางรองเท้าไว้ตรงไหนนะเมื่อเลิกทําวัดเราสามารถจะกลับไปเอารองเท้ามาใส่ได้ถูกต้องนี่เรียกว่าสตินะเราใช้สติอยู่แล้วในการทํางานตลอดเวลาแต่ว่าสติที่เรามีเนี่ยมันเป็นสติที่เราลึกได้ในเรื่องนอกตัวเราลึกได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหน ระลึกได้ว่าห้องพักอยู่ไหนนะเราลึกได้ว่าวางกระเป๋าวางกุญแจไว้ที่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มีกันน้อยนะแม้กระทังคนที่มีความจําดีก็คือความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจนะเราลืมกายลืมใจบ่อยมากเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตมาว่าเราลืมกายลืมใจ ขาที่เราตามลมหายใจขาที่เราเดินจงกรมขาที่เรายกมือสร้างจังหวะเราลืมครั้งแล้วลืมครั้งแล้วลืมแล้วลืมเล่าว่าเรากำลังยกมือเรากาลังตามลมหายใจเราลืมลมหายใจเราลืมอิลียบที่กำลังทำอยู่แต่ว่าในขาที่เราเพลินอยู่กับความคิดลอยไปกับอดีตหลไปสู่อนาคตเนี่ยชั่วพักเราก็เราลึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลัง ตามลมหายใจเรากาลังยกมือเรากำลังเดินจงกรมให้ความระลึกได้ตรงนี้แหละที่ดึงให้จิตกลับมาสู่ปัจจุบันความระลึกตรงนี้แหละที่เรียกว่าสัมมาสติสติมีหลายแบบนะแต่ว่าสัมมาสตินี่คือสติเรื่องสติที่หมายถึงความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสติปัฏฐานสี่นี่ก็จะมีอ สขั้นนะคือความมีสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมรวมเรียกรวมล้วคือมีสติในกายในใจระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจนะไม่ลืมกายนะความระลึกได้เนี่ยนะระลึกได้ว่ากําลังเดินจงกรมกําลังตามลมหายใจกําลังสร้างจังหวะเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าระลึกได้ในกาย นะเราลึกได้ว่ากายกําลังทำอะไรอยู่เราลึกได้ในอิเลียบทของกายก็ทําให้กลับมาดึงจิตกรรมมาสู่ปัจจุบันดึงจิตกรรมมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความรู้สึกตัวนะถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตไหลไปอดีตลอยไปอนาคตจมอยู่ในอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกตัวแล้ว นะสติช่วยทำให้จิตเนี่ยช่วยดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับอิรลียบ ท, ที่กำลังทาอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะสติกับสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นพี่น้องฝาแฝงกันทีเดียวเมื่อมีสติคือความระลึกได้ก็ทำให้เกิดความรู้ตัว บอกไว้แล้วว่าสติเนี่ยในความหมายหนึ่งก็คือในระดับถึงคือความไม่ลืมกายนะและลึกได้ในกายที่กำลังกำลังทํากําลังอยู่ในอิเลียบทใดอิเลียบทหนึ่งไม่ลืมใจนะก็คือว่าเวลาใจมันลอยไปนะเวลาใจมันจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยอยู่ในความทุกข์ความเศร้าวความโศกความเสียใจนะหรือว่าใจเนี่ยมันมันลอยมันไหลไปอดีตอนาคตเนี่ย อตอนนั้นเรียกว่าลืมใจไปแล้วนะเราปล่อยให้ใจล่องลอยปล่อยให้ใจเนี่ยถูกถูกดึงถูกกระชากไปไปตามอำนาจของรูปรถกลิ่นเสียงจิตมันลอยมันไหลไปตามรูปรถกลิ่นเสียงภายนอกลอยไปได้ไงก็เพราะลืมใจไงนะพอเราเรามีสเตย์ขึ้นมาเรารู้นะว่าใจกำลังทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นกับใจก็ดึงจิตกลับมา ดึงกลับมาก็กลับมาที่ไหนก็กลับมาอยู่ที่เนื้อตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นคนเราเนี่ยถ้าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฝึกสตินะมันก็จะลืมกายลืมใจอยู่บ่อยๆนะถึงแม้จะบางคนจะเป็นคนที่จำอะไรได้แม่นนะจำตัวเลขนะจำข้อมูลนะในทางบัญชีในทางวิทยาศาสตร์เคมี K Me. แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนอกตัวทั้งนั้นพอมาถึงขั้นเรื่องการ เ, าเรื่องกายเรื่องใจนะลืมบ่อยมากนะลืมไปเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างเขาว่าอย่างไอนิวตันเนี่ยนิวตันเนี่ยเป็นนัิทยศาศสตรที่เก่งมากความจำเรื่องทฤษฎีเรื่องเรื่องสมการอะไรต่างๆนี่เรียกว่าแม่นยำมาก แต่บ่อยครั้งก็ลืมไปได้ว่ากินข้าวหรื อ, อยังนะลืมไปว่ากินข้าวหรื อ, อยังนะต้องมานั่งคิดดูว่าเรากินข้าวหรื อ, อยังวะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตอนกินข้าวเนี่ยใจลอยนะคิดทฤษฎีอะไรต่างๆอันนี้เรลืมตัวนะลืมกายแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอีกคนนึงนี่ในยุคไล่ๆกับไอน์สไตน์เป็นชาวเยอรมันนสมัยนั้นเนี่ย ศูนย์กลางของฟิสิกส์มันอยู่ที่กอร์ินเจนที่เยอรมันไม่ใช่ไม่ใช่ปรินสตันที่ไอน์สไตน์มาอยู่นะคนนั้นมีในนั้นเนี่ยมีพวกฉลาดปราดเปลืองเยอะมากนะก็มีคนหนึ่งแกก็คิดทฤษฎีแรงแก้วนั่นแหละนะกินก็คิดนอนก็คิดตอนเช้าก็ไปทำงานระหว่างที่เดินแกก็คิดทฤษฎีตอกว่าเดินสะดุดนะ เดินสะดุดหินลม้มคนอื่นเนี่ยเห็นคนแก่เนี่ยล้มเนี่ยก็เข้าไปพยุงแกเอามือไม้เนี่ยปัดเลยนะอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมไม่รู้หรือไงว่าผมยังไม่ว่างนะนอนนอนนอนอยู่ น, นั่นนะแต่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยพังลม้มลงนะ ตัวเองนี้ล้มแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ตัวลมก็ยังคิดทฤษฎีอะไรอยู่พอมีคนมาจะมาอู้มาประคองนี่ไล่เข้าไปไม่รู้หรืไงผมว่าผมยังไม่ว่างนะยังมายุ่งกับผมอันนี้แล้วว่าอลืมตัวนะแต่ลืมตัวที่หนักหนักก็ น, นี้ก็มีเยอะนะปร่เภว่าไปด่าเขาไปทำร้ายเขาบางทีสามีก็ลืมตัวทําร้ายภรรยาพ่อแม่ลืมตัวก็ทําร้ายลูกลูกลืมตัวทำร้ายพ่อแม่หรือเพื่อนทําร้ายเพื่อน แต่ว่าถึงแม้เราจะไม่มีอากับไม่มีการกระทําแบบนั้นเนี่ยแต่ความลืมตัวก็ทําให้เราทุกข์นะก่อนที่เราจะไปทําความทุกข์ให้อาใคร่ด้วยการทําร้ายเขาด่าว่าเขาเนี่ยเราทุกข์ก่อนนะเราทุกข์เพราะความลืมตัวเราทุกข์เพราะลอยใจเราเนี่ยลอยไปนะแปอดีตแปรนาคตรหรือว่าปรุงแต่งหรือว่าจมอยู่ในความโกรธมีอะไรมากระทบนะทางตาทางหูทางจมูกนะเกิดความไม่พอใจขึ้นมา ที่แเกิดเวทนาก่อนทุกขเวทนาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นเนี่ยนะมันเกิดโทสะตามมาแต่ถ้าเกิดสุขเวทนาก็เกิดตัณหาตามมานะอยากได้ไอ้ตัณหาเนี่ยที่อยากได้อาจจะไม่เป็นปัญหามาเท่ากับเวลาเกิดโทสะเพราะว่าเกิดทุกขเวทนาจากผัสนสะไอ้ตอนเนี้ยมันจะลืมตัวนะจมเข้าไปในในในโทสะนั้น แล้วก็ถูกความโกรธเผาลนจิตใจนะอันนี้เรียกว่าลืมใจนะปล่อยให้ใจถูกเผานะแล้วก็ปล่อยให้ใจเนี่ยมันถูกเผานี้ไปเรื่อยๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจนความดันขึ้นหรือว่าสุดท้ายก็ต้องระบายความทุกข์ยคนอื่นแต่ก่อนที่คนเราจะระบายความทุกข์ยคนอื่นเนี่ยมัน มันทำร้ายตัวเองก่อนด้วยความลืมลืมใจพอให้ใจถูกเผาแล้วพอลืมใจก็ลืมลืมกายนะมันไปด้วยกันเลยคนเวลาโกรธเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองทําอะไรนะัการลืมกายลืมใจนี่มันเป็นปัญหามากแต่ถ้าเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยจิตใจจะสงบจิตใจเะาจะเป็นปกติเมื่อเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเรามีความ เราลึกได้อยู่เสมอเราลึกได้เรื่องกายเรื่องจใจแล้วก็มีความรู้สึกตัวเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นใจรเราก็โปร่งเบาความรู้สึกตัวทั่พร้อมเนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านเน้นมากนะว่าเนี่ยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยใจมันจะปกติใจมันจะโปร่งเบาเป็นภาวะที่ไม่มีการแบกไม่มีการยึดนะอันนี้แหละคือคือ คือความสุขความสงบที่เราสามารถจะสัมผัสได้ทุกเวลาและมันจะเป็นมันจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้เราทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วคนเราเนี่ยจะจะทำงานได้ดีเนี่ยมันต้องมีความสุขเป็นเป็นแรงผลักนะไม่ใช่ตันหาไม่ใช่โทสานะอันนั้นมันมันประเดี๋ยวประดาว ทำอะไรก็ตามเพราะแรงขับของตัณหาเช่นอยากได้เงินอยากหวังเงินเดือนอยากได้ชื่อเสียงเนี่ยมันทําได้ชั่วคราวแล้วมันก็เหนื่อยหมดแรงหรือว่าทาไปเพราะอํานาจของความโกรธนะมันก็ทําได้ประเดียวประดาว่แต่ว่าถ้าเราทาด้วยโดยมีความสุขเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ทําให้เราทําได้ต่อเนื่องมันไม่มีควาว่าท้อไม่มีควาว่าหมดแรงนะ เราทำงานเพื่อส่วนรวมนะถ้าเรามีความสุขนะเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็ทําให้เราทํางานได้ต่อเนื่องแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนม้จะทํางานเพื่อส่วนรวมแต่ว่าทําตนไม่ต่างจากพัดลมนะพัลมเนี่ยนะมันทํามันให้ความเย็นแก่คนอื่นนะแต่ตัวมันร้อนนะช่วมงแรกอาจะไม่เท่าไหร่นะแต่พอผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ย ความเยนอา จ, จะยังมีอยู่แต่ว่าลองไปจับเครื่องดูนะมันร้อนหลายคนทํางานคล้ายๆพัดลมเนี่ยหรือมีชีวิตคล้ายๆกับพัดลมก็คือทําความสุขให้แก่ผู้อื่นแต่ว่าตัวเองเนี่ยร้อนใจนี่ทุกแล้วพัดลมที่มันร้อนเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้ไม่นานหรอกสักวันมันก็ต้องหยุดมันก็ต้องเสียไปนะแต่คนเราเนี่ยเราไม่ใช่พัดลมนะในขณะที่เราสามารถจะให้ความสุขแก่คนอื่น เราก็สามารถจะสร้างความสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นความสุขที่ไม่ได้มาจากภายนอกนะเป็นความสุขที่ออกมาจากใจคนส่วนใหญ่นี่ต้องอาศัยความสุขจากภายนอกกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะได้รับคำชมนะคนเราเนี่ยความสุขของคนเราจำนวนมากมัเนี่ยอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะซึ่งล้วแต่เป็นสิ่งภายนอกทั้งนั้น แต่ถ้าจริงแล้วเนี่ยเรามีแหล่งแห่งความสุขอยู่ภายในเมื่อ 3-4 สวันก่อนคณะนัก บ, บวชหมู่บ้านพรมก็มามามาสวดมนต์ให้หลวงพ่อแล้วก็มอบลายมือลายผู้กันของหลวงปู่ติดณัดหันให้กับทางวัดท่านเขยนว่า mindfulness is a source of happiness สติคือแหล่งแห่งความสุข ท่านใช้คำว่าอ่ะนะไม่ใช่คําว่าเดอะแปลว่าลอยแห่งความสูงเนี่ยมีเยอะสติเป็นตัวหนึ่งสติเมื่อมีสติมก็มีความสึกตัวมีความสึกตัวจิตก็เบานะโปร่งสงบมันก็ทําให้เป็นเกิดความสุขที่ที่ลุมลึกและนี่คือความสุขที่สามารถจะออกมาจากใจเราแล้วก็หล่อเลี้ยงทําให้เราเนี่ยสามารถจะทํางานได้อย่างต่อเนื่องหลายคนทํางานแล้วเนี่ย ก็หมดแรงหมดแรงจะ ต, ต้องไปฟังเพลงต้องไปดูหนังต้องไปกินเหล้าหรือว่าต้องไปต้องไปเติมความสุขจากภายนอกต้องไปเที่ยวถึงจะค่อยมีแรงนะมาทำงานต่ออันนั้นก็ดีนะอย่างน้อยก็ดีที่ไม่ไปหาเหล้าไมไปหาใบายมุกแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราสามารถที่จะผลิตความสุขได้จากภายในเราทุกคนนี่ไม่ใช่ดวงจันทร์นะเราคือดวงอาทิตย์นะดวงจันทร์เนี่ย มันไม่มีแสงของมันเองใช่ไหมดวงดวงจันทร์เนี่ยมันสว่างได้เพราะอะไรเพราะมันอาศัยแสงจากภายนอกนะแต่เราเนี่ยคือดวงอาทิตย์ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเปล่งแสงด้วยตัวเราเองนะทุกวันนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นเป็นแค่ดวงจันทร์นะก็คือว่าต้องพึ่งพาแสงจากคนอื่นนะหรือจะเปรียบเพรียบให้มันยิ่งก็นั่นคือเปรียบมืนก็จริ้งเลนนะนะ จิ้งเหลนนี่ไม่สามารถจะผลิตความร้อนได้ด้วยตัวมันเองจิ้งเหลนเนี่ยเวลาหน้าเวลาฝนตกหรือเวลาเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะมันจะมาอาบแดดอาบแดดทำไมนะอาบแดดเพราะว่ามันไม่มีความร้อนของมันเองมันไม่สามารถจะผลิตความร้อนด้วยตัวมันเองเพราะมันเป็นสัตว์เลือดเย็นแต่ว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะเราสามารถจะผลิตความร้อนด้วยตัวเราเองแต่เราไม่ได้ทําได้แค่นั้นนะ เรานอกนอกจากเราสามารถจะผลิตความร้อนได้ตัวมันเองด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยเราเองสามารถจะผลิตความสุขได้จากใจเราด้วยและนี่แหละนะคือความสามารถพิเศษที่เราอ า, อาจจะเหนือกว่สัตว์ชนิดอื่นได้ซ้ําแต่เราไม่ใช้ความสามารถนี้เราก็เลยพึ่งพาวความสุขจากภายนอกเหมือนกับจิ้งเหลนที่คอยรอรับความออุ่นจากแดดจากดวงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วนี่เราสามารถจะ ผลิตความสุขได้ตัวเราเองจากสมาธิจากสตินะจากปัญญาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงราบรื่นเจอความเจ็บความป่วยเจออุปสรรคไงก็ไม่หวั่นไหวนะเวลาป่วยหนักนะใจก็ยังเป็นปกติได้เราป่วยแต่กายแต่ใจสงบนะอย่างที่หลวงพ่อท่านได้เป็นแบบอย่างนะอันนี้หลักนะคือ คือสิ่งที่อันนสงสํสำคัญมากที่เราจะได้นะจากการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเอาคำเดี้ก็พเผอเท่านี้นะเอากลับครบ